ขอความสุขความสวัสดีจะมีแดท่านสาธุชนทั้งหลายการบรรยายพระสูตรในวันนี้ก็ปรารถนาที่จะนำเอาพระสูตรทิฏฐิพระเจ้าทรงสดแสดงถึงคุณลักษณะของอุบาสกอุบาสิการะดับระดับดีนะฮะระดับสูงสุด คือเมื่อวานนี้ได้ไปอบรมสามัณเรนที่จังหวัดขอนแก่นจะมีท่านผู้หนึ่งได้เสนอขึ้นมาว่าปัญหาสาคัญภายในจิตใจของชาวพุทธเรานั้นก็คือเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปอยู่ในจุดของอุบาสของคุณสมบัติของอุบาสกุกเขเรียกสมบัติอุบาสกอุบาสิกาได้ แต่ในพระสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียกอย่างนั้นทรงเรียกว่าอุปาสกรารตนสูตรคือสูตรที่ว่าโดยบาสกุกอุบาสิการะดับที่เป็นรัตนะและอุบาสกอุบาสิการะดับที่เป็นจันทานสงใกับว่าจันทานนะคความหมายก็คงจะไม่หยาบอะไรเท่าไหร่ คำว่าจันทานเป็นชื่อของชนเผ่าที่มีการผสมผสานกันระหว่างวันณะหนึ่งกับวันณะหนึ่งเราก็เรียกว่าจันทานและพระพุทธเจ้าก็ทรงใช้คำนี้สมบคนที่ปฏิญาณตนเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาว่าอยู่ในประเภทจันทาน แต่่าเรามาคิดดูจากพฤติกรรมของคนในปัจจุบันหรือว่าคนในยุคใดสมัยใดก็ตามแม้ในสมัยพุทธกาลเองมันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆอุบาสกอุบาสิกาประเภทจันทานซะก่อนนะครับเกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระองค์เองลืมบอกไปเออพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นเกิดขึ้นด้วยอัธยาศัยของพระองค์อัธยาศัยคนอื่นเกิดเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็มีคนมาถามปัญหา สำหรับพระสูตรนี้เป็นอัธยาศัยของพระองค์ที่มีพระประสงค์จะชี้แจงสถานะของพุทธบริษัทที่ปฏิญาตตนเข้ามาเนี่ยว่ามีอยู่สองระดับดระดับหนึ่งคือจันธานระดับหนึ่งคือรัตนะระดับจันธานนั้นหมายถึงความงอนแง่นครอแคลนในสี่ใน5จุดด้วยกันจุดแรกก็คืองอนแงนครนแคลนในด้านศรัทธาไม่มั่นคง ลักษณะสวันดีสี่วันร้ายอย่างที่เคยเล่าให้ฟังถึงอุบาสกเพื่อนของท่านอนาถบินที่กะเศรษฐีเวลาพระพุทธเจ้าประทับอยู่อยู่ที่ประเชศตะวันก็ตามท่านเศรษฐีมาฟังเทศฟังธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมกันกไม่มีปัญหาอะไรแต่พอพระพุทธเจ้าเสด็จสู่ที่จาริกอีก8เดือนแกก็ไปครุกคลีไปวุ่นวายอยู่กับพวกนักปวดนอกศาสนา ปฏิบัติตามธรรมเนียมของนักบวชนอกศาสนาลักษณะเหล่านี้เป็นลักษณะที่ขึ้นขึ้ น, นลงลงถือไม่มั่นคงในด้านศรัทธาแต่ถ้าเรามองมาดูคนในปัจจุบันนะไม่จะกระทบใครอย่าไปคิดกระทบใครคือเราดูสภาพสังคมจริงๆเราจะเห็นว่าชาวพูดเราจำนวนไม่น้อยคือเอาทุกงานเลยนะจุดคริสจุดแขกจุดจดีจุดอะไรต่อะไรเราก็ไปเขาหมดอันนี้คือแสดงความงอนแงนคลอนแคลน ไม่มีความเป็นตัวของตัวเองแม้แต่หลักการประพฤติปฏิบัติก็ไปสำนักนั้นไปสำนักนี้ว่างๆก็เหมาเครื่องบินไปหาใส่บาบาไปกันเรื่อยคือไม่มได้มีความมั่นคงในด้านจิตใจมันเป็นลูกผสม <c oughs> <c oughs> พราะ พ, ระพุทธเจ้าใช้คำว่าจันทานคือลูกผสมระหว่างวันนักต่างกันเมื่อกลายเป็นจันทานก็ทําให้เห็นนะพอเราวิเคราะห์จากถ้อยคําเราเห็นภาพนี้ชัดมากเลยจันทานนั้นคือ จะว่าเป็นพราหมณ์ก็ไม่เชิงเป็นกษัตริย์ก็ไม่ใช่เป็นสูตรก็ไม่ใช่เป็นแพทย์ก็ไม่เชิงมันเป็นการผสมกัน ร, ระหว่างต่างวัฒนพนะรารมชาวพุทธที่ไปผสมกับความคิดดัติธรรมเนียมขนมธรรมประเพณีของศาสนาอื่นมันก็ถือว่าไม่ใช่คำหยาบนะฮะจันทานไม่ใช่คาหยาบก็เป็นความผสมผสานเป็นความผสมแต่ที่ผสมมากก็คือสูญเสียเอกลักษณ์ของตัวเอง อย่างเมื่อเช้านี้ก็ออกโทรทัศน์ไปว่าวันวาเลนไทยของฝรั่งเราสนุกคลืดๆกันวันมาค้าของเราเราก็มาเบียดเบียนกันนี่คือความสับสนภายในจิตใจไม่รู้อะไรสําคัญกว่าอะไรอะไรเป็นของเราอะไรเป็นของเขาอะไรควรเชิดชูอะไรไม่ควรเชิดชนูนั่นก็คือตัวศรัทธาที่ง่อนแงนค่อนแคลงไม่มั่นคงจึงก็แสดงออกได้หลากหลายด้วยวิธีการต่างๆปัจจุบันนี้น่าห่วงใหญ่นะครับ หน้า ว, วงใหญ่คือชาวบ้านนี่เริ่มเก่งกว่าพระคือตั้งพระเป็นพระอรหันต์กันจังอะไรเดี๋ยหนังสือหนัหาออกในบ้านในเมืองเราหลายเล่มนะฮะสีห่หเล่มอเดี๋ยอย่างน้อยนะตั้งไปพระอริยะอริยะอริยะกันหมดเลยอริยะเนะี่ยไม่ได้เป็นง่ายนะถ้าตั้งชื่อเอาแล้วก็เป็นง่ายพรานเบ็ดก็เป็นอริยะได้สมยัยหลวงพ่อจ้าแต่อริยะนั้นจะต้องสงบจริงๆนะ สงบจริงๆอย่างน้อยจะต้องสงบสังโยชน์ได้สามประการแล้วไปตั้งท่านท่านจะรับหรือไม่รับก็เป็นผลเสียหายแก่ท่านคนไปไหว้ด้วยความจํานึกว่าท่านเป็นพระอริยะโดยที่ท่านไม่เป็นพระอริยะมันก็เสียความรู้สึกประสมควรและอีกอย่างหนึ่งถ้าคนที่เราไปยกจ้องเป็นพระอริยะ ท่านไปกระ ท, ที่มันผิดแผกออกแวกแนวออกไปจากหลักของพระอริยะจริงๆภาพความรู้สึกที่มีต่อสถาบันสงค์จะลบทันทีเลยนี่หรือพระอริยะในพรพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้เลยตกลงเขนเตะกันอย่างนี้เลยก็จ <c> บ <oughs> นี่อันตรายนะฮะคือชาวบ้านไปทำกันเองเวลาเนี้ยหนังสืออะไรต่างๆที่มีเกลื่อนในตลาดเวลาเนี้ย นั่นก็คืออะไรคือศรัท ธ, ธารองงอนแงนหมดเลยไม่มีอะไรหลักทิศทางที่จะกําหนดกฎเกณฑ์อะไรได้ก็กลายเป็นลูกผส ม, มเพราะในแนวความผสมในลักษณะนี้จึงบ่งบอกไม่ได้อย่างชัดเจนว่าเป็นพุทธหรือเป็นคริสต์หรือเป็นอิสลามหรือเป็นอะไรเรียกว่าเป็นพุทธปนสายความเชื่อความศรัท ธ, ธาบางครั้งบางคราวนั่งกรรมาฐานเสร็จไปนั่งเสียงเซมซีต่อมันก็มีความเป็นจันทันพอสมควร จริงๆนะฮะลองฟังดูคําอาจันทานได้เห็นได้ชัดเลยว่าเราไม่มั่นใจในอะไรของเราเลยมั่นใจไม่มั่นใจพอแสดงอธิบายกฎของกรรมได้เสร็จแล้วก็ไปหาหมอดูให้ดูดวงให้นี่คือความไม่มั่นคงมันเป็นการผสมผสานหมดเลยระหว่างอะไรตอนนี้อะไรมัรู้บุ้นไปหมดเลยคำนี้จึงอย่าอย่าอย่าคิดว่าเป็นคําหยาบนะฮะเพราะคำในในในความหมายจริงคือเป็นลูกผสมเท่านั้นเอง เป็นรูปผสมระหว่างคนต่างวันนะกการไม่ได้เป็นเลือดพุทธแท้หรือว่าเป็นเลือดคริสแท้หรือเป็นอะไรแทแทสักอย่างหนึ่งไม่แท้และทีนี้ในสุดเราก็วิ่งเข้าวิ่งออกความคิดความอ่านสับสนหมดเลยแล้วพออายุอานามมากเข้าเราก็ยังจับหลักอะไรไม่ได้สักอย่างนึงเป็นพุทธแอดใสเป็นพุนทธปนใสที่ที่เราพูดกันเนี่ยเป็นพุทธก็ไม่ใช่เป็นพราหมณ์ก็ไม่เชิงเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วหลักปฏิบัติเราก็เสียหมด ทดลองนั้นทีทดลองนี้ทีทดลองโน้นทีาอาจารย์นั้นทีาอาจารย์นี้ทีอะไรไแต่ใดเป็เรื่นี้มันก็กลายเป็นเรื่องของธุรกิจเพราะงั้นตัวศรัทธาจึงมีปัญหาตั้งแต่ต้ น, นตรัทธาไม่มั่นคงแต่บางทีนั้นไม่มีศรัทธาเลยเข้ามาด้วยกลุ่มด้วยผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ยกตัวอย่างเพื่อนของนาธบินติกาเศรษฐีอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าไม่แก่เข้าเพราะแก่เข้ามานี้ไปถึงก็รับประทานอาหารบ้านนาธบินติกาเศรษฐี เดินตามหลังท่านเศรษฐีซึ่งเป็นบุคคลที่เรียกว่ามงคลในกรุงสาบถีก็ได้หน้าได้ตากันพอสมควรแกก็มาได้หรือมาตามพวกนางวิสาขามาอะไรอไรเนี่ยศราไม่มั่นคงประการต่อไปคือในเรื่องของศีลเราจะพบว่าวันก่อนนีไปอบรมข้าราชการในที่แห่งหนึ่งก็ล้อเล่นนะฮะแต่ที่จริงเขาก็ไม่กล้าก็ถามว่าจะขอรับศีลก่อนบรับนั้นได้แต่จะรักษาหรือเปล่า คื อ, ค, อคือเราไม่ได้ไปเทศนะฮะไปไปบรรยายอบรมเป็นเป็นเรื่องทางวิชาการมากกว่าบอกถามว่าถ้าจะรักษารับก็ได้แต่ถ้าไม่รักษาอย่ารับก็เสียเวลาเป่าคนให้ศีลก็แสบคอเปล่าโยมก็โกหกพระเปล่าเสียเวลารับตัวตลงไม่กล้ารับ <laughs> ตัวลงไม่กล้ารับคือเราพูดที่เล่นที่จริงไม่เฉยแต่นั้นเองไม่กล้ารับบางทีเวลานี้ให้ศีลนี่ฮ ถ้าต่างจังหวัดแล้วบางทีเราก็คนคุ้นๆ น, นี่ยเราพูดได้นะหลวงพ่อบางองค์ท่านให้ศินสี่แต่ใ น, นก็ขอสินห้าให้สีข้อทำเฉยอีมานิเลยลงจบแล้วแล้วเขาบอกข้อที่ห้าหลวงพ่อเฮ้ยรับไปทำอะไรไปรเดี๋ยวแกกินล่าตอนล่าวังกันรับไปโกหกพระเปล่าเดี๋ยวมาเล่นกันซึ่งซึ่งหน้าเดี๋ยวนี้ต้องชนกันแรงๆเลยถ้าต่างจังหวัดเนี่ยคนที่คุ้นๆ น, นี่เราเราเราไม่พูดประณีประนอมอะไรทั้งไรเราปังปังกันไปเลย พรามันมันกิเลสมันหนาเหลือเกินอ่ะมันไปไปขูดกับกระดาษทรายไม่ได้มันต้องใช้ขวานถากกันเนี่ยดังนั้นต้องใช้คํากันแรงๆเลยเอ่อนี่ก็คือเรคือศีลเราเขาไม่มั่นคงรักษาไม่รักษาบางทีก็เดินไปจนถึงศีลสิบแล้วไม่ใช่ศีลแปดเพราะศีลแปดยังอยากจะกินนมอยู่อีกยังอยากจะกินนมมาถามพระฉันนมได้กินนมได้เราศีลแปด กินแล็กตาซอยได้ไหมวบตาหมินได้ไหมกินข้าวมันจะเลยดิอย่างนั้นอ่ะอย่ามารักษาศีลทําอะไรหรอก็อยากจะกินก็อย่ารักษาดิแต่รักษามันก็ต้องต้องมั่นคงมากพอสมควรมันไม่มีปัญหาอะไรเราว่าศีลเพราะว่าถ้าเรารักษาศีลเราจะเห็นว่างานที่เราทําในเรื่แรงมันจะน้อยลงเราไม่ทํางานหนักอะไรพลังต่างๆเราก็ใช้น้อยลงมันก็ควรจะอยู่ได้อย่างปัจจุบันในเครื่องดื่มมันมีเยอะแยะไปที่ ถูกต้องตามหลักของผู้รักษาศีลเพราะฉะนัน้นในศีลเองมันก็ไม่มั่นคงเราลองดูไม่ต้องอะไรศีลห้าเนี่ยยังขอต่อรองตอบยุงได้ไมเพราะต่อรองอีกนะปานาไปแล้วขอตอบยุงหน่อยได้ไหมพยายามที่จะเห็นว่ายุงเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนี้ก็เป็นประเภทประเภทที่ก็ผสมอีกผ <laughs> สมระหว่างคนมีศีลกับไม่มีศีลประการต่อไปก็คือไม ah ่เชื่อกฎของกรรมแต่ไปเชื่อมงคลตื่นข่าว นี่ก็เป็นปัญหาที่แก้ยากนะฮะวัดประวอร์นี่ถูกตําหนิเรื่องไปตั้งที่เสียมซีไปที่นั้นแต่ท่านตั้งหลายจะเห็นว่าเซียมซีเนี่ยเป็นแผนที่เราจะทํำยังไงคืออาศัยเป็นบันไดไปอ่านเซียมซีที่วัดปรวรดูต้องปฏิบัติธรรมะดังนั้นเน่ยคนดีก็ต้องปฏิบัติธรรมะคนที่เครอบไม่ดีก็ต้องปฏิบัติธรรมะคืออาศัยโครงสร้างทางเสียมซีแล้วก็สอนธรรมะจากเสียมซีไปเพื่อคนที่ยังอยู่ในชั้นของเสี่ยงเสียมซีนะครับ เพื่อเพื่อเพื่ อ, อ, อช่วยคนที่อยู่ในชั้นของการเจียงเจมซีไม่มีแบบฉบับไม่เหมือนสำนักไหนหรอกเจมซีที่หลวงพ่อที่ที่ที่วิหารเก่งนะฮะไม่ได้ลอกของใครมาคือเอาโครงสร้างแนวเขามาหน่อยแล้วก็เขียนธรรมะใส่เข้าไปไปลองอ่านดูพวกมหาป ร, ริญญาในวัดเนี่ยฮะก็นั่งแต่งกันนีอาจารย์เกจิอาจารย์ก็นั่งเขียนกันในนี้อันนี้มันเป็นแนววิธีหนึ่งที่ คนเราเร า, เราก็ยอมรับสภาพของคนเราว่ายังไม่มั่นคงในกฎของกรรมก็จำเป็นจะต้องอะไรอาศัยอะไรเป็นสื่อหน่อยแต่ในขณะเดียวกันก็มีโบสถ์อยู่ใกล้เซียมีเมื่อคนที่มีความมั่นใจเหนือเ m ียมีก็ไปแวะที่ไม่โบสถ์แต่ยังไม่มั่นใจก็เสี่ยงเ m ียมซียังไงยังไงก็เข้าวัดก็ดีกว่าเข้าวิคนะครับเราก็ช่วยช่วยเหลือกันไว้ก็ตามแนวที่คนรุ่นปู่ย่าตายายท่านเต้ท น, ทนทา จึงการสร้างพระพุทธรูปพระพุทธรูปเล็กๆนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าโดยพื้นฐานที่มาแล้ววิเศษมากเลยความคิดเนี่ยวิเศษมากแต่ว่ามาถึงยุคเราเรารักษาของดีไว้ไม่ค่อยได้ยุคเดิมจริงๆต้นเดิมจริงๆนั้นเกิดจากพ่อค้ากับทาหารพ่อค้าเนี่ยเขาค้าขายคาราวานนะเดินทางไกลไม่มีพระแกเหงาแก้วาเวยแก่เดียวได้ แต่จะขนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ไปมันก็ไม่ไหวอีกแหละเลยก็ต้องสร้างพระพุทธรูปแขวนคอเพื่อให้รู้สึกอบอุ่นใจมีพระไปด้วยพวกทหารก็เหมือนกันไปราชการทัพว้าวเวเดียวดายไม่มั่นใจก็เอาเชิญพระพุทธรูปไปด้วยจนขนาดว่าราชการที่หนึ่งเองยังเอาพระใจหลังช้างนะฮะนี่ก็คือรูปแบบเดิมที่เขาต้องการขวนให้มีอนุสติตอนนั้นเองนะฮะ ต่อมาก็คนรุ่นผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนก็จะพยายามทํำยังไงถึงจะดึงคนพวกนี้ให้เชื่อมั่นคือคือคือคือให้ลดอาจันทานน้อยลงหน่อยนะลดเลือดผสมน้อยลงหน่อยก็เอาเอาพระพุทธ ร, รูปมาคล้ายๆกับจ้างนะว่าจริงเพราะคนเพราะหลวงพ่อท่านรู้จักคนข้างวัดสมัยก่อนมันไม่ได้มีกิจกรรมแบบนี้เพราะว่าพระจะรับผิดชอบในแวดวงของวัดนั้นเท่านั้นเอง รับผิชอบชาวบ้านในแวดวงนั้นเพราะงั้นท่านรู้จักหมดเลยคนเนี่ยลูกเต้ารอใครปู่ย่าชื่อยังไงนิสัยใจคอเป็นยังไงมันมาวิ่งอยู่ลานวัดตั้งแต่เด็กๆแนละ้ว เ, เสร็จแล้วเมื่อท่านสอนเรื่องอื่นไม่ได้ท่านก็พระไปจ้างมันองค์นี้ด่าไม่ได้นะองค์นี้โกหกไม่ได้นะองค์นี้ผิดลูกเมียก็ไม่ได้นะนะเขาเรียกว่าปลองพระจะปลองพระจะเสื่อมพระจะไม่คุ้มครองรักษานี่ก็คืออะไรเป็นเป็นบันไดที่จะช่วยคนแต่มันพิสูจน์คน มันพิสูจน์คนว่าเราไม่เชื่อมั่นในกฎของกรรมกับเราไม่มีศรัทธาที่มั่นคงก็ยังอยู่ในประเภทลูกผสมอย่างที่ทรงใช้คำว่าเป็นอุบาสกจันทานหรือบาสิกาจันทานนะอย่าไปคิดเราพุทธเจ้าด่านะทีนี้จากการเชื่อถือในสิ่งที่เป็นมงคลตื่นข่าวนะฮะมงคลตื่นข่าวคาว่าตื่นข่าวนั้นมีอยู่สองแนวแต่โปรดเข้าใจว่ามีอยู่สองแนว คือลักษณะทางสังคมพูดเป็นสังคมที่เรียบง่ายสังคมพูดเป็นสังคมที่เรียบง่ายไม่หรูหราฟู่ฟุ่มเฟือยมีคนเข้ามาบ่นว่าพระพุทธศาสนาที่สู้ศาสนาอื่นเขาไม่ได้บอกเคร่งครึมเกินไปคือเป็นพิธีรีตองเกินไปเคร่งครึมเกินไปพอเรามาเริ่มโดยอะไรมาไหว้พระเริ่มสงบแล้วรักษาศีลปลาใหญ่เลยมัดมือมัดเท้ากันเลยฟังธรรมะนั่งกรรมฐานมันมันมัน เร่งขึ้มมากเกินไปก็ทำให้คนบางพวกโดยเฉพาะคนวัยหนุ่มสาวเนี่ยขยะบกับการนับถือระศาสนาทีนี้ถ้า เ, เราบองดูแท้จริงเราแบบอะไรเรียกนันทนาการนะเราก็มีของเรานะแต่ว่าชาวบ้านข้าวผาสม มีอะไรละเงลลมงละครลหมายโบราณเรากมมม็มีมีอ่านหนังสือคํากรอนฟังกันอะไรตไรเนี้ยประกอบพิธีศาสนาแต่พอถึงเรื่องศาสนาก็เป็นเรื่องของศาสนาไปเลยแต่จากการที่เราหย่อนมาสองหย่อน3าหย่อนมาถึงเนี้ยหย่อนเรื่องกรรมก็ทําให้เราไปติดในเรื่องของอะไรเลกผานาทีผีหลวงเหลา้าเหล็กอะไรตไรเนี้ อันมาเมื่ออยู่ตอนอยู่ต่างจังหวัดนั้นก็ไม่ค่อยเห็นไอ้ความเลวร้ายของเรื่องนี้เท่าไหร่แต่พอมาอยู่กรุงเทพบอกโอ้คนกรุงเทพตัวเขาคนฉลาด น, นีที่จริงไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ในเรื่องแนีน้คือมันมีอยู่วันหนึ่งเขานิมนให้ไปศึกพระที่วัดเองครับตอนมาอยู่กรุงเทพใหม่ๆเลยแล้วก็ปรากฏว่าไอ้เริกที่จะศึกเน่ยมันไปอยู่ตอน ตอนบ่ายโมงกว่าๆซึ่งเป็นเวลาลงโมโบสถพอดีพระผู้ใหญ่เป็นประธานเก้าองค์นะฮะมานั่งศึกพระอยู่องค์เดียวมานั่งสึกพระอยู่องค์เดียวปลอยให้พระทั้งวัดไปนั่งคอยอยู่ในโบสถ์พอเข้าไปถึงนี่คนลุกสู้เลยโถเฮ้ยนี่เวรกรางจริงๆไอ้เลิกตัวเดียวนี่เองทำขบวนการทั้งขบวนเสียหมดเลย ความเอื้อเฟื้อต่อกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนจะลงโบสลงผาเวลาบ่ายโมงก็ลงไม่ได้เพราะเริกมันติดเพรา ะ, ะนั้นพระพุทธเจ้าทรงเรียกว่าปะปันจะทำธรรมะที่ทำให้เนิ่นช้าเสียเวลาอ่ดอาดโดยไม่จำเป็นอะไรเลยทรงชี้แจงเป็นนิธานบุคคลเรื่องราวเพื่ออบรมสั่งสอนในเรื่องเหล่านี้ทรงแสดงเห็นว่าประโยชน์นั้นมันเป็นเรื่องของประโยชน์มันเป็นประโยชน์หรือเปล่าสิ่งนั้น ถ้ามันเป็นประโยชน์เราทำมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ให้เป็นมหัตต์โนโแห่งโรคภูภูมิปาะโลแห่งโรคอะไระอะไรแห่งโรคแห่งโชคอะไรก็ใช้คำโหนนะครับมันก็ไม่เป็นดังนั้นเวลาคราวชยันโตชยันโตที่โยมมอบรับน้ำมนต์พระเทศให้ฟังเรียบร้อยนะโยมไม่รู้เรื่องวัดิพระก็ไม่แปรด้วยก็แปรไม่ได้บ้าง <c oughs> ก, ก, ก็ก็มีปัญหาหลายเรื่องกเราชยันโต ยันโตที่ตอนที่ขึ้นสุนักขัดตังสุมังกลังสุปภาตังสุจิตังนะฮะมักจะขึ้นตอนนี้ส่วนมากถ้าสวดเราจะขึ้นตรงนี้สุนัขัดตังแปลว่าเลิกดีนะสุมังกลังมงคลดีสุปภาตังสว่างดีนะฮะรุ่งเรืองดีหรือสว่างดีสุขจิตตังก็การบูชาหรือการกระทําที่ดีนะหรือตะขณะดีครูดียามดีเลิกดีอะไรต่าอะที่เราเรียกว่าดีดีเนี่ยมันอยู่ที่ดี มันอยู่ที่การกระทําดีคือถ้าการกระทําดีตอนเช้าทางกายก็ถือว่าเป็นการเช้าที่ดีทําดีตอนเที่ยงก็เที่ยงก็ดีทําดีตอนเย็นตอนเย็นก็ดีพระเจ ด, ดันก็ขอให้ท่านทั้งหลายทําความดีถือว่าเป็นปาทักศินเบื้องขวาเป็นการเคารพต่อความดีนะฮะโดยความหมายแล้วเนี่ยปาทักศิลปเบื้องขวาเหมือนกับเราเวียนรอบพระเจดีเราเวียนเวียนขวา เป็นการเป็นการแสดงความเคารพต่อความดีแล้วก็เริ่ก็ดียามก็ดีครูก็ดีก็นกก็ดีตําหตัานทั้งหลายนั่นก็คือบทที่เป็นหลักพระใช้ทุกงานตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเลยแต่ว่าโยมนึกว่าพระให้ผ่อนล้วก็รับน้ำมนต์กันไปก็กลายเป็นขลังไปนะจริงๆเป็นไม่มีอะไรเลยนิดเดียวที่ขลังในนั้นนะฮะ เป็นเทศได้ขึ้นเชียนโตโพธิยามูเลนะพระพุทธเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจัตรู้ที่โพธิมณฑลทรงชนะมาราหรับกิเลสได้ขอให้ชัยมงคลทั้งหลายจงบังเกิดมีแก่ท่านความชนะจงมีแก่ท่านเหมือนพระพุทธเจ้าทรงชนะมารแล้วก็เสร็จแล้วก็เริ่มด้วยให้ปฏิบัติตามกฎของกับอย่าถือมงคลตื่นข่าวอันนั้นอีกแนวหนึ่งเราจะเห็นว่าในสูตรจันทานมันมาทั้งสองทาง ตั้หนึ่งกเ็เรียกตื่นข่าวบาลีชาโกตุขละเรื่องอุกทึกอุ ก, ท, ก, อกทึกครึกโครมทําอะไรนั้นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตวันก่อนมีโยมคนหนึ่งนําลูกมาจะบวชมาถามรายจ่ายมานีนรําคาญเลยปวดถามรายจ่ายเนี่ยถามสักสองหมื่นพอไหมมาถามโยมจะทำทำงานอะไรเนี่ย จะบวชลูกหรือว่าจะแต่งงานหรือจะทํางานอะไเห็นจะเอาเงินตั้งสองหมื่นนะมันบวชได้สามสองสาพันก็พอแล้วนะพันห้าร้อยยังพอเลยไปบวชกันได้ยังไงทั้งสองสามื่นบวชทําอะไรกันหรือจะทําบุญสร้างโบสถ์สร้างวัดอะไรอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งนะถ้าเรื่องบวชแล้วมันไม่กี่ตังเราบวชแล้นะแลไม่กี่ตังพลาดใจเดี๋ยวนี้แพงหน่อยแต่นั้นเองอนะผ้ามันแพงขึ้นบาทมันแพงขึ้นแต่นั้นแต่ว่าเราก็สามารถที่จะลดลงมาได้นี่เขาเรียกว่า ชอบอึกกระทึกครุกโคลมแนวพุทธเราทําบุญเลยกลายเป็นแนวอึกกระทึกคลุกโคลมอย่างที่เคยเล่ามาพระพุทธเจ้าไม่ชอบอึกกระทึกครุกคลมตรงการข้ามขนาดนักบวชนอกศาสนาเวลาพระพุทธเจ้าเสด็จที่เคยเล่าให้ฟังในสูตรก่อนนะหลายหลายวันมาแล้วที่เข้าไปหาเอากัสปะโคตรพอพวกนั้นเห็นพระพุทธเจ้าปับ๊บพ ร, ระพุทธเจ้าเสด็จนะพระองค์ทรงนิยมความสงบเงียบ ถ้าเราเงียบพระองค์อาจจะแวะนะพวกนั้นเลยเงียบพอเงียบพระพุทธเจ้าก็แวะและที่เคยเล่า ว, ว่าในจาตุมาสูตรที่พระมาถึงส่งเสียงกระมงฉงเฉงกันลั่นคือคุยนะฮะแขกคุยนะแขกคุยนะแขกปราศัยมันก็ไทยด่ากันราว่ามึงคุยกันลั่นคุยกันลั่ น, น, นนะในที่สุดพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าเสียงอะไรอนนนเหมือนกระชาประมงแย่งปลากัน พระนรินบอกว่าพระเจ้าถิ่นกับพระอาการดุกะก็ทักทายปราศัยจัดเตรียมที่พักหลับทอนกันพระพุทธเจ้าไล่ให้ออกไปหมดเลยห้าร้อยองค์บอกให้ออกไปไม่อยู่ในทีน่นี้เอาอย่างงั้นให้กำราบรับกำราบไม่ใช่ไล่โกรธอะไรกำราบให้รู้หรือมันไม่ต้องชาวพุทธเรื่องพุทธเรื่องต้องสงบศีล ส, สมาธิปัญญาในโะยมลองดูดิศีลสมาธิปัญญามันเรื่องสงบที่หลวงพ่อพุทธทาสัญชาตกับว่าสะอาดสงบสว่าง เรื่องสะอาดสงบสว่างแต่ทีนี้เราอึกระทึกหมดเลยงานอะไรต่างๆกลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารจนบางทีเวลานี้กำลัองออกรณรงค์ต่างจังหวัดพยายามเตือนที่ต่างจังหวัดเนี่ยเพราะเมืองไทยเราถ้าเราแก้ปัญหาถามจุดนี้ได้ปัญหาภาษีสังคมนี่จะลดลงไปและเศรษฐกิจคนจะดีขึ้นนะคือปัญหาการบวชหน้าการแต่งงานกับงานศพ ชีวิตคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในแต่ละวันเนี่ยเราจะเห็นว่าเดือนหนึ่งเนี่ยอยู่บนถนนเทนน่าไรอยู่หน้าเมนเท่าไหร่ลองบวกเวลาไว้ดูครับว่าเป็นเดือนเดือนเราอยู่หน้าเมนกับกลางถนนเพื่อมาเผาผีกันเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่กลายเป็นเรื่องใหญ่โตมโหฬารไปเลยแล้วเรื่องก็อึกระทึกทุกโครมสูญเสียเงินทองสิ้นเปลืองเงินทองเป็นนั้นมากนั้นก็คือแนวไคือแนวลูกผสมเีง แนวลูกผสมซึ่งทรงใช้คำว่าจันทานนั่นเองระดับนี้เองเราก็จันทานระดับนี้ยังมีลักษณะอย่างนี้อยู่มากประการต่อไปก็คือกระทําบุญโดยไม่รู้อะไรเป็นบุญกระทาบุญโดยไม่รู้อะไรเป็นบุญามาอย่างนึกเมื่อเมื่อวานนะเมื่อวาน เ, าเครื่องบินจะขอนแก่นมากรุงเทพเปนสี่นาที เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อเลยในขณะ40นาทีคนสั่งเบียมานั่งกินกันข้างหน้าตลาดเนี่ตัวเอ้ยชาวบ้านเนี่ใช้ชีวิตอะไรกันนักหนาอย่างเงี้ยเนี่ยก็ครึ่งบินพอขึ้นตั้งลําหน่อยก็เสิร์ฟอาหารประเดียวหน่อยเดียวลงละอุตส่าห์สั่งเบียมาดื่มกันบนเครื่องบินเวลา40่สนาทีเท่านั้นเองเนี่ยนคนเป็นใช้ชีวิตในลักษณะอะไรไม่มีหลักในการดํารงชีวิตในการใช้ชีวิตการอยู่ร่วมกับคนอื่นในในใ น, ในที่อย่า ง, ง น, นั้นนะฮะควรจะปฏิบัติยังไงนเนี่ย นี่ก็คือความสับสนในด้านความคิดขังคนการกระทําสิ่งที่เรียกว่าความดีเราก็สับสนหมดเลยพระพุทธเจ้าทรงใช้คํานี้ว่าสแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนาไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาแต่ว่าฝ่ายจันทันก็คือสแสวงหาเขตบุญนอกคําสอนพระพุทธศาสนาไม่สแสวงหาเขตบุญในคําสอนพระพุทธศาสนาก็วุ่นวายสับสนไปหมดเลยกระนี้อย่างที่บอกเนี่ย สมมติว่าท่านสายบาบาแกจะเก่งวิเศษจริงเนี่ยแต่แต่แกจะช่วยอะไรเราได้คนขนาดพระพุทธเจ้ายัางปฏิญาณว่าอาขาตาโรตถาคาตาตถาคตเป็นเพียงผู้บอกให้เท่านั้นแต่การประพฤติปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นเป็นเรื่องของเธอทั้งหลายจะต้องใช้ความเพียรพยายามด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นเอามายังนึกว่าถึงเวลานะฮะที่เราจะเอาองค์ใดประสัมคุนะ ธรระคือคุณากรสงใดาสาวกศาสดามาสอนแต่ละบรรทัดกันเลยนะสอนแต่ละบรรทัดแต่ละบรรพัดกันเลยสักทีนะแล้วเราจะเห็นว่าที่จริงนั้นเราสอนกันมาตั้งแต่ต้นแต่พอดีที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คืออาจารย์ที่สอนน่ะเด็กห่องก็แปลไม่ได้ไม่รู้หมายความมา่ายังไงวันก่อนเอามาไปอบรมครูถามว่าครูไอ้พร้อมเบนจะพิจารณาสุจรัตวิมุนใสหมายความว่าย่างไรไม่มีใครตอบได้เลยนะนั่งอมภูมหมดเลย ทั้งห้องนี่คือแสดงว่าเราเองเราก็ไม่พยายามที่จะหาความเข้าใจว่าหมายความว่าอย่างไงนะในในความหมายเหล่านั้นไม่ทราบใครแต่งนะคล้ายๆกับปรญยาสีส่วนตอนอุหานน้อยได้ไงนะแต่เก่งมากทีเดียวนะฮะเก่งมากทีเดียวในเรื่องเหล่านี้ท่านท่านอธิบายว่าอย่างไงท่านท่านท่านท่านแสดงว่าท่านซึ้งในาศาสนามากถ่ายทอดออกมาด้วยคํำฉันที่ไพเราะและอมความหมายของพระพุทธศาสนาไว้ทั้งหมดด้วยทั้งไปนะฮะ ตั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะตรงนี้ก็น่าจะเอามาจะเอามาอบรมนักเรียนกันจากทีแต่ก่อนจะอบรมนักเรียนต้องเอาครูมาสัมมนากันเสียก่อ น, นว่าแปลว่าอย่างไงแล้วความหมายขอบข่ายมันจริงๆว่าอย่างไงเนี่ยแล้วก็เราสร้างเราสอนเด็กด้วยบทสวดสามบทนี้พอแล้วนะครับสร้างฐานศรัทธาศีลความเชื่อกฎของกรรมด้วยบทสวดสามบทนี้ก็พอแล้วไม่ต้องมากนะ เมืองไทยก็บอกมีปัญหาปราะรมขวัญมากเลยคนปฏิบัติไปทันสร้างคําขวัญขึ้นมาแล้วเด็กยังจําไปได้เปลี่ยนคําขวัญอีกแล้วเลยไม่รู้ก็พูดคล่องๆกันไปอย่างนั้นเองต้องบทน้อยๆนะต้องเอาน้อยๆแบบพระพุทธเจ้านี่แหละสัปะปะ ป, ปัสกากรณังนี่ขึ้นตรงเนี้ก็ทํายังไม่ได้ทั้งทนีนี่ก็คือเขตบุญการกระทําบุญของเราต่างๆที่เราเห็นเราพบกันเนี่ยเราจะพบว่าบางครั้งมันมีการสร้างปัญหา ยังว่าแนวทางการทำบุญพระพุทธเจ้าสอนวิเจยดานังสุกตะปัสถังการใกล้ควรวินิจพิจารณาเสียก่อนจึงให้นั้นเป็นการกระทําที่ประทาา่ากสันสุดแต่ก็จึงแล้วเป็นอย่างไรนะฮะคือเราไม่ได้คิดเลยว่าไอ้สิ่งที่เราทํานั้นทําไปทําอะไรทําเพื่ออะไรทําไปแล้วได้ปรอย่างไรไม่ได้คิดตามกระบวนเวลาจะแจกผ้าห่มก็แจกอาตมาเคยไปถามด้วจังหวัดเลยว่าผ้าห่มปีที่แล้วไปไหน เ, เห็นแจกจังหวัดเลยก็แจา ก, กันแถวเนี่ยทุกปีแล้วพ่อผมปีที่แล้วมันไปไหนก็บางทีแจกเสร็จแล้วมันรับแจกแล้วเราเสร็จเรียกมรารอไปขายเอาตังค์ซื้อลาบเนี่ยเราทำเราเราเราเราคิดว่าเราฉลาดเราทําแต่เราสร้างปัญหานะเราสร้างปัญหาการเพิ่มพูนคนให้รอคอยแบมือรับการบริจาคจากคนอื่นสบายสบายแล้วมาอินางขังขอบอะไรเลย คนเหล่านั้นก็สบายบางทีลูกเต้าจะเรียนหนังสือยังไม่ยอมซื้อส ม, มุดดินสอให้รอคอยเข้ามาแจกนี่คือไม่ได้ใช้ทำงานแบบพุทเราเลยเรามันจะคิดคิดแบบพุทมันต้องมองให้ตลอดกระบวนการของการกระทพบางกร น, นีก็อยู่ในลูกในลักษณะการผสมผสมนะจะใช้คำว่าจานทานไปเดี๋ยวโยมว่าอยากคือผสมผสมผสมเราก็ไม่รู้เอาแนวพุทหรื อ, อแนวอะไรกันแน่ในการกระทาบุญ หรือกระทําความดีของเราว่าอันนี้แนวของพุทธนี่มันเป็นยังไงหรือแนวของคนอื่นว่าจะไงถ้าแนวของพุทธถ้าทําความดีต้องขอบขายคําสอนของพระพุทธเจ้าทําอะไรก็ตามคําว่าบุญต้องขจัดกิเลสได้ถ้าขจัดกิเลสได้ถ้าขจัดกิเลสไม่ได้ทํำยังไงก็ไม่ใช่บุญครับทบุญจึงต้องให้ถูกบุญให้ถึงบุญแล้วก็ให้เป็นบุญทำบุญจะเป็นบุญก็คือให้ถูกบุญไม่เกินบุญต้อง แล้วก็ผิดบุญถ้าทําอย่างนี้ก็ทําแล้วไม่ได้บุญมีการกระทําเป็นนันมากหรือเกินที่เราน่าห่วงใหญ่นะฮะหน้าห่วงใหญ่เช่นว่าการคํานวณอะไรการเลี้ยงดูอะไรต่างๆก็ไม่ถูกต้องนี่เแต่เรื่องเหล่านี้ในที่บางแห่งนะพูดได้ในที่บางแห่งในะพูดไม่ได้มันก็อยู่ที่วัตถภาพของบริษัทปัญหาในกรุงเทพเราจะเห็นว่าพระเองนั้นไม่ใช่วรระเลยแต่ไม่กล้าพูด ก็โยมจะโกรธเราแต่ต่างจังหวัดเนี่ยจะมาแก้ปัญหาได้เป็นวัดๆเลยไ่้มาไม่เคยแคร์เลยแก้ปัญหาได้เป็นวัดๆพอฟังเทศพอเริ่มเทศโยมกระทิบคราวหนึ่งตอนนั้นบวชปัญหาแรกคือคนมาฟังเทศทุกคืนแล้วมีโยมคนหนึ่งเป็นหัวหน้าบาสกมาถึงสกิจทตุเตียท่านเทศลานสองลานพอแหละไม่ต้องเทศมากลานสองลานนั่นคืออ่านคัมภีร์ทั้งหน้าสองหน้าพอแล้วเอะ อ่านสักคำพีสักหน้าสองหน้าพอวันนั้นมาเอาจริงเลยพอขึ้นนาโมพยมรับนาโมนมาขึ้นพุทธทางพยมรับพุทธทางเราขึ้นทํามังแล้วเอาเร็วนี่ฮะตั้งแต่วันนั้นไม่มีใครกล้านั่นเลยไม่มีใครกล้าพูดแล้ววันนี้เราแก้ปัญหาได้หรือบางทีพระกำมังเทศยมคุยพยมคุยเราหยุดหยุดนั่งฟังฟังเฉยไม่ว่าอะไระพยมหยุดเราเทศพยมคุยเราหยุด โดนเข้าทีสองทีเงียบหมดเราแก้ได้เราให้ศีลโยมเงียบหมดทางวิหารเรานักเราคุ้นเคยกันพอนะคุ้นเคยพอที่จะพูดได้แล้วก็อะไรที่เป็นปัญหาเราแก้ได้ยังในกรุงเทพไม่ต้องอะไรมากนะชาวบ้านกรวดน้ําล้างมือกรวดน้ํากันเนี่ยเห็นกันมาเห็นมายี่สิบกว่าปีแล้วแต่ก็ไม่กล้าพูดพูดเราก็พูดทางวิทยุหรือพูดกับโยมอย่างนี้เราก็พูดได้แต่ในแต่ในบ้านในขนาดนั้นน่ยเราไม่กล้าพูด ล้างมือกรวดน้ำกันนะเอามือมารอกันมันตีเกาะ ก, กันเป็นแถวจับหลังกันเป็นแถวในงานเนี่ยกำม่ทําอะไรกันไม่รู้ใครสอนมาจากไหนอะไม่มีที่ไหนไม่มีตำหนับตํารากฎเกฑอะไรเนี่ยคือเราไม่รู้เราทำแบบแบบแบบเทนสองบาทแบบเทนสองบาทหรือแบบอะไรเขาบอกว่า อ, อ, อุบาสกคนหนึ่งสมัยนุ่งจงกระเบนนุงจงกระเบนพอพ อ, พอแกรจะก้มกราบเนี่ยไอไอหางกะเบนมันจะหลุด จะหลุดเพราะงั้นเวลาวแกกราบแกจะปลดถังกระเบนลงก่อนแกก็นั่งอยู่ข้างหน้าโยมมาในงานทั้งหมดเลยพอกราบพระเลยปลดถังกระเบนลงหมดเลยเนี่ยคือไม่รู้ว่าปลดทําอะไรโยมคนนี้นั้นแกแ ก, แกมีความจะเป็นผ้าแกสั้นอดยไรเนี่ยฮะแกก็ปลดแล้วโยมอมคนนี้ก็เลยปลดตามหมดทั้งงานเลยไม่ได้มีความคิดอะไรเลยนะะ เรือนิทานอะไรไม่จะนิทานในเรื่องจริงเรื่องเทนสองบาทบอกวัดนั้นพระพอฉันข้าวเสร็จแล้วบาทไปผึ่งแดดแล้วก็นั่งสองนั่งสองดูบาทไม่รู้ทําอะไรเพรา ะ, ะรเพราะเห็นสมพานทรองสมพานส อ, อ, องนะมันอยู่แต่ลคือบาทมันมีวินัย น, นะถ้าบาทถ้ามันเาเกินสามนิ้วเรใช้ไม่ได้เขาห้ามใช้แต่ถ้าไม่เา่าเกินสมนิ้วนะให้ใช้ไปก่อนอย่าไปรบกวนชาวบ้านเพราะสมัยก่อนมันต้อ ง, ต, อ ง, ต, องต้องรบกวนชาวบ้านมารบกวน สมัยนี้ก็ไม่ถึงกับรบกวนเพราะบางทีโยมมันถวายจนเหลือทีนี้สมพานันบาทแกเกิดร้าวกเกิดราว ก, ก็มองดูอยู่เรื่อยว่ามันครบ3นิ้วแล้วยางกว่า3นิ้วต้องเลิกใช้ไอของลูกวัดเนี่ยบาทมันใหม่ๆมันไม่จะมีรูสักรู <laughs> ก็มานั่งสองเขาด้วยเนี่ยคือคือคือคื อ, คอทำโดยไม่มีกฎเกณฑ์อะไรเลยไม่ใช่แบบพุทธไม่ใช่กฎเกณฑ์แบบ การกระทำบุญก็ตามการแสวงหาเขตบุญก็ตามทีนี้อเขตบุญฮรับกว่าเขตบุญในกรณีทั้งทั้งหลายได้โปรดเข้าใจว่าศาสนาพุทธนั้นเป็นศาสนาที่เอื้อเฟื้อที่สุดเลยนักบวชนอกศาสนาเราก็สงเคราะห์เราก็เป็นมิตรกับคนทุกศาสนาและเราไม่ได้ว่าใครใครนะใครดีเราก็ว่าดีพรามสอนดีเราก็ว่าดีถ้าผิดเราก็ว่าผิดทําไมจึงผิดเราก็ชี้แจงให้ฟังนั้นคือแนวของพุทธทีนี้ ถ้าในกรณีของการแสวงหาเขตบุญคือเราต้องการทําบุญจริงๆนะฮะเพราะความเชื่อศรัทธาของเรานี่สังฆคุณบทว่าบุญญเขตตังอนุตรังนะฮะบุญญเขตังโลกสซาติเราสวดอย่างนั้นเราเชื่อมั่นอย่างนั้นถ้าเราจะต้องการหาบุญญเขตจริงๆเราต้องทําจากใ น, ในบุญญเขตที่เราเชื่อมันพิสูจน์ไปคําสวดกับศรัทธาของเรานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมันก็เหมือนกับอะไรเมื่อวานก็เตือนเนนเตือนเนนเตือนพระอยู่บ่อยเวลาเนี่ย ปือ พ, พระเราธรมาธรมัชเช้าธรรมัชเย็นนะโยมโยมอาจจะไม่เคยสังเกตคําแปลนั้นมีชกันอยู่สองประโยคชกันอยู่สองประโยคประโยคไหนฮะประโยคที่ว่าบุตทัตซาหัตสมีดาโซวะบุตโทมเมซามิกิตโรปาฏิญานนะฮะพระพุทธเจ้าเป็นนายของข้าพ เ, เจ้าข้าพ เ, เจ้าเป็นผู้รับใช้พระพุทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์สุดเหมือนกันวันดันโตหั่งเจริซาไมสรีรัญญีวิทันจีดัง ข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตบิณ ญ, ญาณแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สละหมดแล้วอ่ะสละหมดแล้วนะมาบอกว่านี้ต้องคิดในมากในคนขยันทํามัดเย็นนะถ้าทําให้ได้มึงโกหกพระรัตนตรัยมากกว่าเพื่อนนะ่ยแต่ที่จะทําบุญก็ไม่ได้บุญอะไรมันต้องทําให้ได้นี่คือปฎิญาณที่เราสําคัญมากหละสละชีวิตหมดแล้วสรีรญยีวิตันยีดังในหมดทั้งชีวิตทั้งสรีระให้พระรัตนตรัยหมดเลย ดังนั้นไ อ, ไอ้ไอ้ไอ้การปฏิบัตินั้นก็ต้องยึดหลักที่ขอบข่ายซึ่งเราเชื่อมัน่นซึ่งเราเชื่อมั่นในสิ่งของเราในขอบข่ายของเราในความดีของเราใครบอกอ้นี่ดีนั้นดีนะฮะเราต้องดูว่าดีนั้นพระพุทธเจ้า ว, ว่าดีหรือเปล่าถ้าพระพุทธเจ้าไม่ว่าดีเราก็ไม่ดีกับเขาด้วยดังนั้นเวลาจะทําบุญนะฮะซึ่งคุณลักษณะที่บอกว่า คนประเภทนี้จะทำบุญนอกขอาข่ายคำสอนพระพุทธศาสนาจะแสวงหาเขตบุญก็ไปอะไรก็ไปเล่นฉลองเขาด้วยไปทุกงานนะฮะคริสต์มาสก็เอากับเขาวาเลนไทน์ก็เอากับเขาอีสเตอร์ก็เอากับเขาตุ๊ดจีนก็ไปกับเขาตุ๊ดแขกตุ๊อะไรตุ๊อะไรก็ไปกับเขาตุ๊ดยวนก็ว่าเขาด้วยนะทั้งทั้งที่ยวนนายกทหารมาตีบ้านเมืองก็ไปเล่นตุ๊ดยวนเขาด้วยเนี่ยคือคือมันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรในการดำเนินชีวิตดังนั้นจึงเป็นสูตรถูดหนึ่งที่เรียกว่า อุปาสะกะจันทาสูตรสูตรที่ว่าโดวยบาสกบาสิกาจันทาน ค, คือคือลูกผสมนะพูดพูดเป็นไทยๆง่ายว่าผสมไม่รู้เป็นพุทธหรือเป็นอะไรกันแน่ก็แล้วแต่ไอความรู้สึกความหักเห ข, ของจิตใจในขณะนั้นๆ น, น, นะถ้าท่านมองคำว่าจันทานหมายถึงการผสมไม่มีเชื้อใดเชื้อหนึ่งโดยเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแล้วก็ไม่ใช่คาหยาบนะฮะ เพราะคาบางคําที่ชาวบ้านเอาไปใช้กับในความหมายที่พระเจ้าทรงแสดงนั้นไม่ใช่นั่นนะ่ะฉะนนพระเจ้าใช้คําว่าโมฆะบุรุษนะทีจริงก็ไม่ใช่หยาบแรงอะไรหรอกคือมันไม่มีอะไรไม่มีกฎมีเกณฑ์มีหลักอะไรถึงใช้คําว่าโมฆะบุรุษมันว่างโ ok มฆะแปลว่าว่างแต่ถ้าชาวบ้านเอาไปใช้แรงนะแรงมันไม่มีอะไรเลยบางทีแต่ว่ามันไม่มีกฎเกณฑ์ซึ่งซึ่งซึ่งจะจับหลักแบบพูดได้เพราะในขวัยตรงกันข้ามมันก็อยู่ที่ สัทโธโหติหนึ่งเป็นผู้มีศรัทธาแต่อย่าลืมว่าศรัทธาจะชงเน้นในรูปของศรัทธาสัมปันโนสมบูรณ์ด้วยศรัทธาคือมีความเชื่อที่มั่นคงจริงๆมั่นคงในอะไรในหลักใหญ่นะฮะในหลักใหญ่ๆก็คือหลักของพระรัตนตรยัยอย่าง น, นี้นี่เคยบอกมาบ่อยว่าเวลาพระพุทธเจ้าทรงอธิบายศรัทธานั้นพระพระองค์เริ่มจะ พ, พุทธคุณนั้นเองเพราะอะไรฮะถ้าพุทธคุณเดินได้ธรรมคุณสังคุณมันเดินได้ ไม่มีปัญหาอะไรเลยมันเหมือนกับพรหมวิหารถ้าโยมเริ่มที่เมตตาได้โยมลองดูว่าถ้าโยมไม่เริ่มที่เมตตาโยมจะเดินกัลโมติตากรุณาเบขาไม่ได้เลยแต่ถ้าโยมเมตตาสมมติว่าลูกหลานเราเนี่ยเราเมตตาเจ่ะไหมพอลูกป่วยกรุณาเลยลูกป่วยกรุณาเลยขึ้นทันทีเลยพอลูกหายป่วยดีใจมุติตาเลย พอลูกเดินได้อะไรต่ไรเรียบร้อยเราอุเบกขาได้วางใจได้ไม่ต้องเดือดร้อนกรแกมมกงก็เป็นห่วงเป็นใ ย, ยกลัวรถจะจนะกลัวจะข้ามถนนไม่ได้พอลูกทําได้เราสบายวางใจได้แต่ถ้าเราไม่ไมเริ่มทีม่เมตตาอย่างอื่นไม่เดินเพราะาในศรัทธานี่เราไม่ต้องพูดมากเราจับตถาคตโพธิศัทธาได้คือเชื่อในพระคุณพระพุทธเจ้าเนี่ยจับให้ได้ตัวเดียวเท่านั้นเองอย่าไปนับไปมากอย่าแล้วเดี๋ยวจะกลัวนับตรงนี้เอาให้ได้เราเชื่อพระพุทธเจ้าไห เชื่อพระพุทธเจ้าว่าเป็นอรหังเป็นสัมมาสัมพุโตเป็นวิชาชานะสัมปันโนโไหมถ้าเราเชื่อได้หมดทั้งเก้าบทนี่ไม่ต้องเก้าบทอ่านจะมากไปเชื่อตบำบทนโมเชื่อตบำบทนโมมันพอนโมตัสสะโยมแปลได้หรอในีนโมตัสสะนโมตัสสะไมว่าตัวะโตสัมมาสัมพุทธสระนี่นโมก็ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ตัสสะภควาโตพระผูะ้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัโตเป็นพระหันสมาสัมพุทธผูุ้สตดีสตรุชอบโดยพระองค์เองเป็นการสรุปนะฮะนมโมจึงเป็นบทสรุปทั้งหมดพระพุทธเจ้าพระพุทธคุณทั้งหมดไว้ในบทนมโนนมเนี่ยนโมจึงไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดานะฮะก็เรียกว่าจิ๋วแต่แฉแต่ว่าแจว <laughs> ประโยชน์มากแต่ประหยัดที่สุดเลย ว่านิดเดียวครบแล้วระ ล, ลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าครบเสร็จเราก็ต้องเชื่อในอะไรพระกวตโตเชื่อในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์มหากรุณาธิมหากรุณาคุณแต่ก็ควรจะเริ่มมาจากปัญญานะฮะพระพุทธเจ้าเริ่มที่ปัญญาก่อนพระองค์มีพระปัญญาสมบูรณ์แล้วกิเลสก็หมดเป็นบริสุทธทิ์คุณต่อจากนั้นก็เป็นกรุณาคนณที่มันเกิดเกิดอย่างนั้นเพราะงั้นเราก็เรียกว่าปัญญาบริสุทธิ์กับการุณา เวลาเวลาเวลาเราสวดทำวัดเช้านะฮะพุทโธสุสุโธกรุณามหานะโวนะเราสวดตามระดับอย่างนั้นพุทโธก็คือตรัสรูสุสุโธก็คือบริสุทธิ์พุทโธก็คือปัญญาสุสุโธก็คือบริสุทธิ์กรุณามหานะโวก็คือกรุณานี่นี่นี่คือหลักที่เป็นเกณฑ์ที่จริงเป็นสูตรที่ตายตัวเป็นสูตรที่ตายตัวลงตัวอย่างนั้นทุกทีแล้วไม่ว่าจะไปจับตรงไหนก็ตามจะโยงกันหมดเลยทุกจุด จะเหมือนกันนะแต่จะพูดโดยนัยยะโดยวหารอย่างไรเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเชื่อในพระคุณของพระพุทธเจ้าในคําสอนของพระพุทธเจ้าเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าขนาดเป็นอรหันต์ัมมาสัมพุทธะป ร, ระกอบด้วยสัพพัญยุตยานยังดนบันดาลใครไม่ได้ไอหลวงปู่หลวงพ่อที่นั่งตัวเองก็จะหลับไม่หลับแลอย่างนี้มันจะช่วยใครได้นักหนาจช่หรอือไรไซต์าบาบาอะไรต่ออะไรเอาขี้เท้าขี้ฝุ่นมาให้ก็เหมือนกันแหลนะแกดีจริงก็อาจจะดีจริงนะฮะ เราไม่ได้ว่าอะไรแต่แกโดนบันดาลอะไรได้แกช่วยอะไรได้ถ้าแกช่วยได้แล้วทําไมแกไม่ช่วยพวกอินเดียซึ่งมันมันขอทานอยู่ตั้ง60ล้านคนนะั้นไมได้เราเสียเงินเสียทองแล้วมาเป็นเครื่องมือให้พวกแขกแล้วดูดเงินเข้า ด, ด, ดูดเงินตาต่างประเทศออกนอกต่างประเทศทําลายเศรษฐกิจของชาติตัวเองทงั้งๆที่ของดีในชาติ บ, าบ้านเมืองเรามีตั้งมากมายเราไม่เอาเองนะฮะเราไม่เอาเองเราไปขวายคว้าข้างนอกเพราะมันความ ง, ง่อนแงน่นคลอนแคลในด้านศรัทธา ปัญหาสำคัญของโลกของชีวิตที่แท้ จ, จริงนั้นมันอยู่ที่เราต้องเชื่อมั่นต้องเชื่อมั่นแล้วเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในหลักการคำสอนของพระพุทธเจ้าเชื่อมั่นในองศาสดาของเราเชื่อมั่นในคำสอนเหล่านี้และเราไม่จำเป็นจะต้องไปแสวงหาอะไรไม่ต้องไปแสวงหาอะไรแล้วหลักทั้งหมดเหล่านั้นถึงแม้คนอื่นจะสอนก็ไม่เคยสอนเกินพระพุทธเจ้าได้ อย่างที่อาตมาเคยบอกให้โยมฟังวันหนึ่งบ้าศาสนาโลกซึงมีอยู่12ไม่ใช่าศาสนาทั้งโลกเวลานี้นะฮะมีอยู่12าศาสนาเนี่ยมันจุดสุดยอดมาอยู่ที่พระพุทธศาสนาถือว่าถ้าเป็นวงกลมก็จุดตรงกลางอะไร90้าสองศาเลยก็อยู่ตรงกลางแล้วจุดสุดยอดอยู่ตรงนั้นแล้วพอพอนพระาศาสนาที่มันเกิดมาทีหลังพระพุทธเจ้ามันก็ย้อนกลับย้อนโลกกลับไปอีก 2,000 ปี ศาสนาคริสต์มันก็เหมือนศาสนาพราหมณ์ตอนต้นไม่เห็นแปลกอะไรกันแต่ไหนสรามเหมือนกันก็ย้อนกลับไปศาสนาซิกเกิดทีหลังก็ย้อนกลับไปข้างหลังนะความคิดเหล่านี้ก็คิดมาแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วแล้วไอ้มาร์กมาเนี่ยไอ้มาร์กเนี่ยมาร์กที่ไอ้มาร์กเลนินที่เขาเชิดเชิดเชิดชูกันเนี่ยมันมีมาก่อนนั้นเขาเรียกว่าลัทธิโลกายตะโลกายตะเป็นพวกจารวาวัตถุนิยมจัด ทุกอย่างเป็นวัตถุหมดมากไม่ใช่ความคิดพิเศษอะไรนะแต่เราเอามาอ่านชาวพุทธอ่านที่เราเรียนปรัชญาของมันมาแล้วโดยไอ้ขี้กายเต็มทียังสู้ไอ้โลกาญตะเขายังไม่ได้เลยกยาญตาโลกาญตาเขายังคิดได้ลึกซึ้งมากกว่านี้แย่เลยเป็นขยะความคิดที่เขาทิ้งแล้วพอเห็นว่ามันไม่เหมาะส ม, มเขก็ทิงท้งทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งมาโดยลำดับจนมาถึงพระาศาสนาเชนีิถือว่าสลัดพันธนาการจากความคิดแบบนั้นออกมา แล้วมาถึงพระพุทธศาสนาก็ชดช่วมนะแต่ไม่ใช่ชัดเจวาดปาณาทิอะไรหรอกมันชดช่วมจริงๆเลยก็ทำกลางแสงสว่างทั้งหลายก็มาจบตรงนั้นแล้วเพราะงั้นถ้าเราเชื่อมั่นในตรงนี้ได้นะเราเห็นในผลของศีลต่างๆผลของศีลนี่เนี่ยเห็นได้ง่ายมากนะฮะจริงๆ ร, รักษาศีลเราเห็นได้ง่ายในคนรักษาศีลยังไม่เห็นผลศีล น, นี่ก็เป็นทีฮนะดงูง่ายๆว่าอย่างพระอย่างเนี้ยฮะ พระอย่างนี้ถ้าไม่มีศีลระโยมจะไหว้หรือไม่ไหว้เลยคนจะตักบาตรกินไม่ไม่เดินไปนอกจากว่าเอาอาหารอย่างดีมาให้แล้วประเคนให้อย่างดีให้แล้วยังไหว้ด้วยนะมีใครนะก็ะให้เพราะอะไรก็ให้เพราะมีศีลให้มีศีลมันก็เห็นกันเนี่ยอา น, นิส ง, งส์ของศีลเห็นกันทนๆนเนี่ยฮะตนโทษเนี่ยเห็นธรรมดาธรรมดานี่ฮะเพราะงั้นเราจะเห็นอา น, นิส ง, งส์ของศีลผลของศีลแล้วก็เมื่อเราเชื่อหลักพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าศัสรู้ตัวเดียวนะฮะตัวเนี้ย สัมมาสัมพุทโธนี่ปัญญาเครื่องตรัสรูน้นี่เราจะจับกฎของกรรมเราได้ยากเราจะไม่วอแวรสับสนด้วยอะไรใครดูเคราะอาตมานั้นก็เคยทดลองหมออยู่เรื่อยนะสมัยก่อนที่คุณพ่อปังงานก่อยู่นะคุณเพ่อพังงานี่เป็นลูกสิทธทิธรรมะคนแรกสอนกันคนต่อคนเลยสอนกันสามปีต่อมาเขาก็ปฏิบัติตอนนี้เขาก็ไปดีไปแล้วนะแต่ว่า แกก็อาศัยแต่แกคุ้นเคยอาตมาเนี่ยก็ต้องรับไอ้ไอ้ไอ้เกผาญนาทีของคนมาให้ช่วยดูให้อาตมาก็เกรงใจแก่นะฮะก็เลยเอาให้หมอไปดูกันคนละคนอนะลอกไปตั้งสองสามอันเลยทีเอาให้หมอดูคนละคนเลอกเดียววันเดือนปีเดียวกันให้หมอดูสามองค์ก็ออกมาสามเรื่องเลยเรียบร้อยสิบองค์ก็สิบเรื่องแล้วทีนี้แล้วทีนี้เดินหมุนเลยมันไม่มีอะไรจริงเลยนะเรื่องอย่างเงี้ยถ้าถ้าว่าเรื่องเหล่านี้จริงนะฮะ เื่อผ่านาทีเป็นเรื่องจริงแล้วเนี่ยเราอย่าลืมว่าทุกขณะในคนทำอะไรอยู่ตลอดระยะเวลาถ้าเขามีสติมีสัมปชัญญะความผิดพลาดก็ไม่เกิดมีขาดสติสัมปชัญญะเลิกวิเศษยังไงมันก็ผลเสียหายมันก็เกิดดูกันง่ายๆธรรมดาเนี่ยไอ้ไอรุงปรรางเหล่านี้เราจะตัดได้ออกไปเยอะแยะเลยเราก็จะมั่นคงในกฎของกรรมเวลาจะทางานเราก็ไม่เอากระทึกนรโมอะไรคือเป้า พระพุทธศาสนาอย่าลืมพูดถึงประโยชน์นะอย่างที่บอกอันถายาหิตายะสุขายาอมหักังดีกะรตังอิตายะสุขายาทะเี่ ว, าาวา่าอย่างนั้นทุกทีอะอมหักังดีกะรตังอิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแกข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นก็ลองด้วยทํางาน ใ, นใหญ่ใมันอะไรมันใ ค, ใครได้ประโยชน์ญาติพี่น้องเราได้ประโยชน์หรือเปล่าข้าวัวข้าวควายจัดงานกันใหญ่โตเพื่อนแหกกันมากินเสร็จแล้วถ้วยมันก็ไม่ช่วยล้างให้เอาไปบวดอะใครได้ประโยชน์กันแน่ นี่เราเข้าใจได้ทันทีเลยนะครเข้าใจได้ทันทีเลยวิเคราะห์ได้ทันทีเลยแล้วก็ไอ้ว่าออการทึกทึกโถมในลักษณะนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเจ้าภาพเองก็เหนื่อยอย่างงานบางแห่งที่อย่างปากใต้นี่มีบางแห่งนะฮะเรียกว่ากินตลอดคืนอย่างรุ่งทั้งวันทั้งคืนแม่ครัวนี่ถ้าถูกก็เจ็วันแล้วก็เรียกว่าทําให้เปลี่ยนชุดแล้วก็เข้าโรงพยาบาลแหละแต่พอดีก็อาศัยการเปลี่ยนชุดชาวบ้านเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียง ปิดประตูปิดประตูบ้านาภายในครัวเลิกหยุดแห่กันมากินในงานศพเจ้าภาพในจนย้อนหลังไว้สามปีห้าปีก็แล้วแต่ว่าจะตั้งงานขนาดไหนเวลานี้ประมูลกันแล้วเอาศพไปประมูลกันเพื่ออะไรเอาไปประมูลเพื่อจัดการเล่นไพ่เล่นโปเล่นถั่วเก็บค่าตรงกันไม่รู้อะไรนะเนี่ยเละไม่ได้เรื่องอะไรแต่ทีนี้ถ้าเราเชื่อ ก, กฎของพระพุทธเจ้าเราไม่เอาเรา อ, อย่างนี้น ทำบุญก็คือต้องเป็นบุญทําไห้เป็นบุญถ้าเดือดร้อนเป็นผลไม่ใช่บุญเจอนะฮะความบุญจะต้องมีความสุขเป็นผลถ้าเดือดร้อนเป็นผลการกระทํานั้นไม่ใช่บุญเราจับหลักตรงนี้ได้เลยจับหลักตรงนี้เราก็เดินได้นะเรวก็เดินได้ความมั่นคงความเชื่อมั่นในกฎของกรรมก็จะเกิดขึ้นกันเราเรื่องอึกระตุกครึกโครมเรื่องที่เรียกว่าโกลาหนโกราหนวุ่นวายนะเราลองดูที่เออ ท่านทั้งหลายเคยได้ยินนะว่าธนนาตาวินติกาเศรษฐีนั้นเลี้ยงพระสงฆ์วันละสองพันบัณนาวิสาขาเลี้ยงวันละ500รอถ้าลองนึกด้วยความรู้สึกคนทรอยูอย๋ทําได้ยังไงแต่ท่านเชื่อแม้ทำได้นะฮะถ้าเลี้ยงแบบเขาจริงๆเลี้ยงเลี้ยงแบบให้กินได้ธรรมดาธรรมดากินอิ่มนะฮะกินอิ่มคือยังอัตภาพไปเป็นไปเนะี่ยเพราะว่าอะไรพระอาจารย์นั่งถือบาตรโยมจะสมมุติว่าโยมคนเนี้ย ถือผักก็เอาผักไปใส่ใส่ใส่ใส่ใส่เคนนี้มีเนื้อก็ใส่เนื้อไปใส่ใส่ใส่พอพระมองดูอิ่มแล้วยังอิ่มพะ อ, อิ่มท่านปิดบาทสมัยโบราณในฉันหมดบาทไม่มีเด็กวัดอะไรเพราะในการเลี้ยงพระพันรูปสองพันรูปในเรื่องธรรมดามากเลยอาตมาไปอยู่อินเดียนี่เคยเจอแขกเลี้ยงแล้วบอกโอ้ oh, ไอ้นี่อย่างนี้เองเลี้ยงอย่างนี้เองไงเลี้ยงแล้วสบายนะแจกใบไม้ให้คนละใบ <laughs> ใบไม้ก็กลัดนะ กลัดใบ ไ, ไม้มาถึงวางข้างหน้าแล้วก็เอาอาหารมาวางเราก็รับประเคนไปเรื่อยคนนั่นก็หยิบนั่นใส่ก็เดินมาเป็นแถวเลยนะเสร็จแล้วก็ได้อาหารเท่าที่เราจะฉันอีกฉันหมดนะฉันเหลือไม่ได้วิธีธรำเนียมของพระพุทธเจ้านี้ฉันข้าวเหลือค้างในมเมล็ดในบาตไม่ได้เพราะมีวินัยข้ามไม่ให้เท น, น้ําที่มีมเมล็ดข้าวลงในบ้านปรับอาบาัดเพราะนั้นกําหนดให้พระเราฉันหมด นะนี่ก็คือปัญหาทางเศรษฐกิจในชั้นการบริโภคอย่างดีเลยนะที่ต้องสอนไว้แต่ว่าทุกวันรูปแบบธรรมเนียมประเพณีมันอุกทึกครึโครมอย่างที่ว่าเนี่ยบางทีเลี้ยงพระทีหนึ่งก็เหลือเฟือเป็นเย็นเลยไม่รู้จะทำยังไงเราก็ตัดปัญหาเรื่องโกลาหลตัดปัญหาเรื่องโกราหลออกไปได้แก้ปัญหาด้านนี้ได้เรียบร้อยไปด้านหนึ่ง ทีนี้ในด้านการกระทําบุญชาวอุบาสกบาสิกาประเภทแก้วนะครับประเภทรัตนะมันก็จะทําบุญในขอบข่ายคําสอนของพระพุทธศาสนาหรือว่าเขตบุญก็เขตคําสอนหมายความว่าเออก็เราก็จับหลักดูจะว่าบุญนี่คืออะไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่าได้กลัวบุญเลยเพราะคาว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขนี่คือสูตรสูตรหลักกระทาอะไรที่มันมีผลเป็นความสุข การกระทนั้นเราก็เรียกว่าบุญแต่ว่าถ้าการกระทำบางอย่างนั้นมันเราได้สุขแต่ว่าเป็นทุกข์แก่คนอื่นเจ้านะฮะเช่นว่าเอาคนไปขายนะขายยาพิษหรือว่าขายสัตว์เป็นอะไรเนี่ยหรือว่าแม้แต่ว่าให้สัตว์เป็นเขาไปมันก็คนเราได อาจจะได้มิตรไมตรีนะฮะแต่คนอื่นเขาก็ได้ทุกขอย่างงั้นก็ไม่ใช่บุญเพราะงั้นทานพวกสุราพวกสัตว์พวกอะไรต่ออะไรเขาไม่ถือว่าเป็นทานไม่ถือว่าเป็นทานเพราะมันคนอื่นเดือดร้อนอะคนอื่นเดือดร้อนไม่ถือว่าเป็นทานให้ธาตให้ทาสีให้สุราให้หญิงบำเรอให้อะไรต่ออะไรไม่ได้ทั้งหมดเลยไม่เป็นทานทั้งหมดเลยต้องเป็นทานแล้วมันต้องเกื้อกูลแก่เขาด้วยแล้วคือคือหมายความว่าสิ่งที่เราให้นั้นต้องเกื้อกูลแก่เขา นะแล้วก็เราเองได้รับความสุขเขาก็ได้รับความสุขก็เป็นบุญนั้นกอบคายคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะจากจุดนี้เขตบุญในพระพุทธศาสนาจึงมีอยู่ทุกผลทุกแห่งไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องทําอย่างนั้นเท่านั้นอย่างนี้เท่านั้นที่จริงขอบคายไปกว้างขวา ง, วางการกระทําอะไรก็ตามมันขจัดกิเลสได้มีผลเป็นความสุขการกระทํานั้นก็เป็นบุญนี่เรียกว่าสแสวงหาเขตบุญขอบคายคําสอนในพระพุทธศาสนา ถ้าจะทําบุญในประเภทการให้ทานต้องการเชิงบุญยกระดมันก็ต้องอาศัยสังคุณแหละแต่แนวชาวพุทธนะฮะเป็นชาวพุทธแล้วไปสนับสนุนกิจกรรมของศาสนาอื่นเนจะอยู่กันได้ยังไงเพราะว่าชาวบ้านก็เป็นกองสเสบียงอ่ะนะเป็นกองพระาธิการทหารก็อยู่ข้างแนวหน้าพระราธิการไม่ส่งกองกาลังบํารุงประเดี๋ยก็ยุ่นตีแตกมาเลยดังนั้นถ้าเราจะต้องการเขตบุญในด้านทานนะ เกศบุญในด้านทานเราไม่ต้องพูดเราแม้เราพูดในปัจจุบันว่าสร้างโรงเรียนนั้นดีกว่าทั้งหมสถที่จริงเป็นไปไม่ได้เราเป็นไปไม่ได้ครับมันอยู่ที่ผู้รับอ่ะมันอยู่ที่ผู้รับมีคุณธรรมสูงหรือเปล่าแต่เราพูดในชั้นสังคมสงเคราะห์เราพูดได้ถ้าพูดในเขตบุญจริงๆแล้วเป็นไปไม่ได้เพราะลักษณะของผู้รับนะฮะอย่าลืมอาการให้ทานผู้รับต้องเป็นผู้มีศีลมีกัญญาณธรรมสูง ใช่ไหมเจตนาเราต้องเป็นเจตนาดีสิ่งที่ได้มาเป็นสิ่งได้มาในทางที่ชอบทำก็สู่สัมปทาสีที่เคยเล่าให้ฟังนะฮะแต่ตอนนี้เราสัมปทาเพียงสามเท่านั้นเองคือสิ่งที่เราได้มาต้องได้มาในทางที่ชอบทำเจตนาเป็นเจตนาเสียสละผู้รับ น, นั้นเราเทวไวยบูชาพระพุทธเจ้านะฮะกับบูชาเด็กมันจะต่างกันตั้งริบโลกมันต่างกันแน่นอนแหละแต่เราพูดในแง่สังคมเราพูดกันเราพูดกั น, เ ร, กนเราหลบเราไม่พูดเปรียบเทียบพระเราจะไม่พูดเปรียบเทียบนะฮะ เพรเปรียบเทียบเป็นโกหกเป็นมุสาเนะีเป็นไปไม่ได้ครเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถ้าเราพูดในแง่สังคมระบบ ก, ก็นี่เเป็นประโยชน์เด็กไม่มีที่เรียนช่วยกัน ร, รักษาสร้างโรงพยาบาลอะไรทอะไรเนี่ยเพื่อช่วยรักษาคนเจ็บไายได้ป่วยแต่เราไม่เอาไปเทียบกับการสร้างบสถเราไม่ไปเทียบกับการทําอย่างอื่นสร้างพระไตยบิดกเราไปเทียบไม่ได้เพราะนั้นอย่าลืมนะนั้นเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นยอดของผู้บริสุทธิ์แล้ว เราสร้างเป็นพุทธบูชามันจะเทียบกันยังไงเลยับกั บ, กบถึงแมแ้แน่นอนนะฮะเด็กแกก็ควรแกการสงเคราะห์แต่เราอย่าพูดในเรื่องเทียบนะเทียบผู้หกน ะ, ะตูพระพุทธวจะนะเลยทีเดียวดังนั้นวิธีเทศฉลาดคือเราไม่พูดเลยเรื่องนั้นเรื่องโบสเราไม่พูดเรามรามชวนสร้างสร้างโรงเรียนสง ร, งร้างโรงพยาบาลแต่เรื่องโบสเราไม่พูดไปพูดปฏิเสธโบสว่าจะได้บุญน้อยกว่าสร้างโรงเรียนไม่ได้ฮะตูพระพุทธวจนะเลย สร้างโบสถ์สร้างเจดีย์นี่อย่าลืมมาสร้างเจดีย์จะมีผลมีอานิสงส์ยังไงกันในวิมานวัตถุที่เคยเล่าๆให้ฟังกันี่เแต่ว่าถ้าเราพูดในแนวสังคมสงเคราะห์เราต้องหลบประเด็นเดิมเราไม่พูดเจ๊พูดประเด็นนี้ประเด็นเดียวไอขอบขายของคำว่าบุญเราจะพบว่าจึงมีจําแนกแสดงไว้ตั้งเท่าไหร่ตั้ง10บข้อแต่10ข้อนั้นจริงๆมันสข้อนะฮะ ข้อหลักจริงๆคือสามข้อแต่นั้นเองคือทางศีลภาวนาเพราะว่าบุญอีกห้าข้ออีกไม่ใช่อีกเจข้อนั้นก็เป็นเรื่องของภาวนาเป็นเรื่องของภาวนาทั้งนั้นนะฮะเวียวัจจะไมาการช่วยเหลือขวนข่ายในกิจการงานที่ชอบของบุคคลอื่นเนี่ยฮะช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันเลื่อให้ที่กันนั่งอะไรต่ออะไรเนะะี่ยอาตมายังนึกเนนึกมันนานเลยว่าสังคมไทยนี่ม ม, ม, มันมันมันแปลกนะ ว่าเราถือว่าคนระดับขึ้นเครื่องบินเนี่ยเป็นคนฐานะดีมีการศึกษาดีมีเงินพอสมควรนะพวกขึ้นเครื่องบินได้เนี่ยขนาดเรานั่งเก้าอี้มาหลังสุดต้องลงหลังสุดนั่งตัวเก้าอี้หน้าสุดต้องลงหลังสุดเหมือนกันไม่มีใครที่มีแก้ใจว่าพี่น้องขอหยุดก่อนขอให้นีมนให้ท่านลงก่อนไม่มีใครมีความเอื้อเฟื้อเลยเราต้องนั่งเงาอ่างนะั้นนะปล่อยเขาลงนะไม่มีใครมีความเอื้อเฟื้อมีคราวเดียวต่นนั้นเองวันนั้นมากันเจ็ดองจากเชียงใหม่ มีโยมคนหนึ่งเป็นมหาเก่าคือคุณทวีวรคุณตะโกนเลยพี่น้องหยุดก่อนค่อยลุกขึ้นก่อนขอให้หลวงพ่อท่านลงคอนเถอะอามันนั้นได้คราวเดียวอะไรนั้นนี่คือแสดงว่าไอ้ความมีน้ำใจความเ อ, อื้อเฟื้ออะไรต่ออะไรเนี่ยไม่มีเลยต่างคนต่างเห็นแก่ตัวใกล้ๆไฟไหม้อะไรไม่รู้จะรีบลงให้ได้เล ย, เ, ยเราเร า, เราอยู่ที่เก้าอี้ตัว2ี่ส็นะฮะที่จริงเราเหวี่ยงแป๊บเดียวลงประตูแล้วนะเราก็ลงไม่ได้นั่งอย่างนั้นแหละนั่งจนเขาลงหมด เราอยู่ก็อี้ตัวที่หนึ่งซึ่งเราควรจะลงได้เราก็ลงไม่ได้ก็ไม่ให้ลงก็ยืนอัดขวางไปหมดนี่คือคือคือว่าคนใจมันไม่ค่อยมีบุญเท่าไหร่นะไม่พยายามสแสวงหาบุญหรือว่าสแสวงความเ อ, อื้อเฟื้อที่จริงไอ้ตรงเนี้ยทาได้แล้วไม่มีใครล้มตายอะไรเลยนะเดินตามหลังกันไปเท่านั้นเนอง น, นี่เป็นบุญง่ายๆเวลาวัชชมัยเนี่ยช่วยเหลือขวนขวายกันในที่เหมาะที่ควรสนับสนุนกันจะจให้พระมาเบียดได้ยังไงเราพระไม่ยอมเบียดด้วยหรอ เนี่ยเียเหมือนกับวั น, วนก่อนเนี่ยมีเด็กก็ถามเด็กก็ถามว่าเดี๋ยวนี้ทำไมพระเดินยังไม่ค่อยหลีกผู้หญิงอ่ะมาอย่างน้ามบอก อ, อ้าวอันี่ปัญหาว่ามันใครควรจะหลีกใครกันแนะ่เราจะเห็นว่านี่เราไม่รู้ว่าใครควรจะหลีกใครนะฮะตามหลักแล้วเนี่ยพระนั้นไม่ต้องหลีกใครเลยคนอื่นต้องหลีกให้พระเพราะพระเป็นปูญน ญ, ญ, ญาบุคคลใน ส, สัมพุทธศาสนิก แต่ทีนี้ลักษณะทางสังคมในปัจจุบันเมื่อชาวบ้านไม่ยอมหลีค่ายพระก็ต้องหลีค่ายเมื่อชาวบ้านไม่ยอมกันนิมนต์ให้ลงก่อนเราก็ต้องนั่งลงทีหลังเราก็ไม่เสียหายอะไรพระไม่ไม่ยอมเดินชนแน่ไม่ต้องห่วงนะเมื่อเขาไม่หลีค่ายเราก็ต้องหลีค่ายแต่ว่าระเบียบสังคมจริงๆนั้นเราจะพบว่าพระนั้นมันอยู่ประเภทเขาเรียกว่าคุณวุฒินะครับไม่ต้องหลีค่ายคนอื่นคนอื่นก็จะหลีค่ายเองลักษณะทางสังคมเป็นอย่างนั้น นี่คือความสับสนในด้านความคิดแล้วก็เรียกว่าบุญเล็กๆน้อยๆเนี่ยฮะเราก็เราก็ไม่ยอมทําถ้าต้องการจะให้เป็นอุบาสกอุบาสิการัตนะมันก็ต้องทําบุญในขอบข่ายพระพุทธศาสนาคือขาจัด ก, กิเลสได้บุญอะไรนอกคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ใครจะว่ายังไงไอ้นี่ทําบุญได้มากนะไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่ทรงแล้วก็ได้บุญมากนะอ้ยเจ้าพ่อเจ้าแม่จังเลยเนี่ย แล้วเจ้าพ่อเจ้าแม่นั้นก็ที่น่าแปลกก็คือคนที่ไปหาเจ้าพ่อเจ้าแม่นั้นบางทีก็ออกไปจากวัดรักษาศีลโบสถดแล้วไปนั่งข้าทรงกันอยู่โว้ยเวรกรรมจริงๆเนี่เมืองไทยประชากรเราตั้งสี่ห้าสิล้านมาันน่าจะมีคุณภาพดีกว่านี้พระพุทธศาสนาเวลานี่เมื่อช้าเนี่ยมาก็บอกออกทางโทรทัศน์บอกว่าเวลาเนี่ยเราไม่ห่วงพระพุทธศาสนาจะหายไปจากโลกไม่มีทางนะฮะ พระพุทธศาสนากำลังได้รับความสนใจอย่างสูงจากฝรั่งทุกประเทศเกิดเติบโตเร็วไปซื้อบทคิดร้างเป็นแถวที่อเมริกาพวกพุทธไปซื้อบทคิดสร้างวัดกันเลยไอ้เนี่ยแต่ที่เราห่วงใยว่าคนไทยลูกหลานไทยจะต้องไปเรียนพระพุทธศาสนากับฝรั่งนี่นะแต่เราไม่รักษาพระพุทธศาสนาเอาไว้เราไม่ครองพระพุทธศาสนาเสื่อมจากไทยนะครับเพราะเวลานี้มันเป็นเรื่องแปลกนะไอ้เด็กมันเต้นไอ้ดิ้นก็แท็กกัน ฝรั่งคนไทยติด เ, เต้นดิสโก้แท็กกันเต้นอะไรดิสโก้นั่นแหละบาดิสโก้อะไรเนี่แต่ว่าฝรั่งมารำวงคนไทยนุ่งกระโปรงฝรั่งแต่ฝรั่งมานุ่งไหมไทยก็น่สนุกกันดีนะฮะเพราะงั้นคนไทยกำลังเห่อคริสตแต่ฝรั่งกำลังเห่อพุทธ เ, เพราะงั้นพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นไปทางทิศตะวันตกถ้าเราได้ถ้าเราได้อุบาสิกบาติการัตนาขึ้นมาปัญหาเหล่านี้ก็ไม่มี คือจะต้องมีศรัทธามีศีลเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลตื่นข่าวสแสวงหาเขตบุญในพระพุทธศาสนาไม่สแสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาถ้าเป็นอย่างนี้ได้แล้วพระพุทธศาสนาก็จะอยู่คู่บ้านคู่เมืองต่อไปแล้วคนเราจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาประเภทรัตนะจริงๆนะฮะไม่ลูกผสมไม่ใช่ลูกผสมอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในอุบาสกะจันทาลสุดก็สำหรับวันนี้ก็ขอ อันโมทนาสาธุการณแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายก็ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมอันพระพุมีพระภาคเจ้าทรงประกาศแสดงไว้ดีแล้วโดยทัวการทุกท่านเถิด